ถ้าท่า น, ท, านท่านก็เปรียบเทียบอุปมาว่าอะไรนะตกลมอุจระเนี่ยถ้าใครเข้าใจเนี่ยมันมันตกแล้วมันไม่ได้เย็นเหมือนหลุมอื่นๆนะลมนี้แก๊สมันเยอะมากมันจะร้อนรู้อยู่นั่นแหละเม้นด้วยก็เอ๊ะมันมีบ่อน้ําที่มันเย็นน้ําใสสะอาดอีกฝากหนึ่งเนี่ยนะทำไงดี พันการไม่สแสวงหาหนองน้ำนั้นอะ่ะไม่ใช่ความผิดขอ ง, ของหนองน้ำนั้นะ่ะแต่เป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นผู้เดียวฉันใดเมื่อหนองน้ำใหญ่คืออมะตะธรรมอรมะตะพระนิพานเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องชำระมนทินคือกิเลสมีอยู่เพราะพระนิพานิพานเนี่ยถ้าผู้ใดเห็นนิพานราคะโทสะโมหสิ้นไป ก็เช่นว่าอย่างส ก, กายยะทิฐิวิจิกิจชาสีละพระตะปรามาสเนี่ยนะระ ง, งับดับไปพร้อมกับ ก, บการเห็นพระนิพพานพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะผู้ใดยังไม่ตรัสรู้นิพพานกล่าวไม่ได้ว่าสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเมื่อเห็นพระนิพพานจึงกล่าวได้ว่าสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเพราะรู้นิพพานนี่แหละจึงปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเพระนิพพานเนี่ยนะเป็นเครื่องชำระอะไร ความเศร้ามองชำระ ก, กิเลสอย่างใจของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ผ่องใสก็เพราะว่าขุนมัวด้วยราคะโทสะโมหะเพราะไม่เห็นพระนิพพานถ้าเห็นพระนิพพานก็เลิกขุนมัวด้วยราคะโทสะและโมหะหนองน้าคือ น, นิพพานเป็นเครื่องชำระ ก, กิเลสมีอยู่การไม่สแสวงหาหนองน้ำนั้น ไม่สแสวงหาหนองน้ำใหญ่คืออมะตะนิพานนั้นไม่ใช่ความผิดของหนองน้ำใหญ่คืออมะตะธรรมแต่เป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งบุรุษถูกพวกโจรล้อมเอาไว้เมื่อทางหนีมีอยู่ถ้าบุรุษนั้นไม่หนีไปเสียนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางนั้นเป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นคนเดียวฉันใด บุรุษที่ถูกพวกโจรคือกิเลสล้อมจับเอาไว้เมื่อทางใหญ่อันรุ่งเรืองอันจะไปยังมหานครคือพระนิพานแม้มีอยู่ก็ไม่สแสวงหาทางนั้นอะ่ะก็ไม่ใช่ความผิดของทางเป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวก็ฉนั้นเหมือนกันอุปมาแรกเขาบอกว่าตกอยู่ในบ่ออุจาระใช่ัหมที่ร้อนระอุอการที่ไม่สแสวงหาหนองน้าคือนิพานก็เปรียบระหว่างทุกษสัตย์กับนิโรสัจ คนที่ถูกโจรล้อมรอบทางหนีมีอยู่ถ้าไม่หนีถือว่าเป็นความผิดของของผู้นั้นอ่ะอันนี้ระบบเป็นให้เห็นเปรียบระหว่างสมุทัยกับมัคคสัจจะเปรียบระหว่างทุกษะสมุทัยศาสตร์กับมัคคสัจจะต่อไปอีกว่าบุรุษผู้ถูกความเจ็บป่วยบีบคั้นเมื่อหมอที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยมีอยู่ถ้าไม่แสวงหาหมอนั้นไม่ยอมให้หมอนั้นเยียวยาความเจ็บป่วย นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของหมอเป็นความผิดของบุรุษผู้นั้นแต่ผู้เดียวฉัน้นใดผู้ใดถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบคั้นหนักไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในทางระ ง, งับกิเลสซึ่งมีอยู่ก็เป็นความผิดของผู้นั้นผู้เดียวไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้ขจัดความป่วยคือกิเลสชั้นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะหมายคือว่าอย่างสมัยอย่างคนยุคนี้เนี่ยถ้าถามว่า เราก็ทุกอยู่พระพุทธเจ้าผู้ชี้นาทางแห่งความดับทุกขมีอยู่เราไม่สแสวงหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผิดใช่ไหมอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรนะความผิดพลาดของผู้นั้นผู้เดียวฉันนั้นพระองค์ก็เลยกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุรุษตกไปในบ่ออุจจาระเห็นน้องน้ํามีน้ําเต็มก็ไม่ไปหาน้องน้ํานั้นนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของน้องน้ําฉันใด น้องน้ำคืออมตะเป็นเครื่องชำระมนทินคือกิเลสมีอยู่บุคคลไม่ไปหาหนองน้ำนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของหนองน้ำคืออมตะฉันั้นนะบอรอุจระเป็นทุกขสัตว์นองน้ำเป็นเหมือนกับนิโรสัจจะทางไปหาหนองน้ำเป็นมัคสัจจะเนี่ยนะก็แยกระหว่างระหว่างวัตตาวิวัตะและทางเพื่อวิวัตะ บุรุษผู้ถูกฆ่าศึกล้อมเอาไว้เมื่อทางไปมีอยู่บุรุษนั้นน่ะก็ไม่หนีไปนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางนั้นฉันใดบุคคลถูกกิเลสลมร้บุคคลถูกกิเลสรุมล้อมไว้เมื่อทางอันรุ่งเรืองมีอยู่ก็ไม่ไปหาทางนั้นนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของทางอันรุ่งเรืองก็ฉันนั้นอันนี้หมายคว่าสมุทัยศาสตร์ล้อมล้อมอะไรล้อมทุกขศ์ศาสต์ทางหนีออกจาก ทุกข์กับสมุทัยมีอยู่คือมักกษัตริยนะ์ก็แยกระหว่างทุกข์สมุทัยและก็มักนั่นเองต่อไปบุรุษถูกความเจ็บป่วยเบียดเบียนแล้วเมื่อหมอที่จะเยียวยามีอยู่ก็ไม่ยอมให้หมอนั้นเยียวยาความเจ็บป่วยนั้นนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของหมอแม้ฉันใดบุคคลถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสบีบคั้นเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาอาจารย์นั้นนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ฉันนั้นเขามีอยู่ครั้งหนึ่งนะ คณะกาโมคลานะพราหม์ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้อปฏิบัติในในาศาสนาของพระองค์เนี่ยมีเ ป, เป็นเป็นไปตามลำดับเป็นต้นใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าใช่แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงข้อปฏิบัติตามลำดับทีนี้ตอนที่สุดเนี่ยโมคลคณะกรโมคลานะพราหม์ก็ถามว่าพระโคโดมก็ยังอยู่นิพพานก็มีอยู่กุลบรที่มามหาพระสมณะโคดมเนี่ยที่มหาท่านเนี่ย เข้าปฏิบัติแล้วบรรลุนิพพานกันทุกคนใช่ไหมก็บอกว่าบางพวกก็บรรลุบางพวกก็ไม่บรรลุพราหมเขาก็บอกทําไมไมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่นิพพานก็มีอยู่มันน่าจะปฏิบัติบรรลุกันหมดนะะเดี๋ยวพรามจะเล่าให้ฟังบอกว่าท่านรู้จักทางไปเมืองราชชครึกใช่ไหมบอกโอ้ชํานาญเรื่องนี้ดีเขาบอกว่ามีคนมาถามทางท่าน ท่านก็บอกทางให้มาเออต้องไปอย่างนี่เลี้ยวตรงนั้นไปอย่างนี้อย่างงี้แล้วไปอย่างงี้แล้วท่านจะถึงเมืองราชครึกโดยสวัสดีแล้วถามว่ามีคนมาคนที่หนึ่งมาถามทางท่านท่านก็บอกอย่างดีและอย่างละเอียดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ไปตามที่ทางไม่ไปตามที่ทางท่านบอกอีกคนหนึ่งไปตามทางที่ท่านบอกก็ถึงที่อ่าแล้วเรื่องนี้ท่านจะว่าไงบอกท่านพระโคโดมข้าพเจ้าจะไปว่าอะไรเขาข้าพเจ้าก็เป็นแต่คนบอกทาง พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็เป็นแต่คนบอกทางผู้ใ<ว> <has> ดปฏิบัติตามก็ถึงที่สุดนะนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเาจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมมันก็อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่คําสอนเพื่อความดับทุกข์ก็มีอยู่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ศึกษามไม่ปฏิบัติในคําสอนตอนนี้เขาเป็นสมัยที่เขากลัวคําสอนเสื่อมเขามาไม่เห็นกลัวเลยเขามากลัวเราจะเสื่อมจากคําสอนแค่นั้นเลย เอาคพระพุทเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเสื่อมแล้วพระองค์เสื่อมแล้วเสื่อมตกเลยจากตําแหน่งอรหรันตสัมมาสัมพุทธโธตกหมดแล้วพระธรรมก็นําออกจากทุกข์ไม่ได้จริงไม่ใช่สวากขาโตพระสารีบุตรก็ถอยลงมาเป็นปุถุชนกลับคืนหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้เ ร, เรียกว่ า, าศาสนาเสื่อมแต่ไอ้ความที่พวกเราไม่รู้คุณพระรัตนตรัยเนี่ยก็เรียกว่าเราเนี่ยเสื่อมจากาศาสนากันแล้วเพราะฉะนั้นขวนขวายทํำยังไงเราจะได้ไม่เสื่อมจาก พระัตนไตรในี่ยนะทำยังไงใจของเราจะได้มั่นคงในอรหันตคุณของพระองค์มั่นคงในมั่นคงในพระธรรมที่พระองค์สอนมั่นคงในข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเราถ้าหากว่าเรายังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่เสื่อมจากใจเราถ้าเรายังปฏิบัติตามพระธรรมอยู่พระธรรมก็ไม่เสื่อมจากใจเราถ้าเรายังดําเนินตามข้อปฏิบัติอยู่เราก็คือหนึ่งในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีตาม พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะไปกลัวทําไมศาสนาเสื่อมกลัวเราจะเสื่อมจากบุญตรงนั้นน่ากลัวกว่ามันหลายคนนี่ก็เลยมุ่งจัดแจงให้คนอื่นถึงศาสนาโดยตัวเองก็เดือดร้อนเนี่ยมันก็พยายามจับประเด็นในการศึกษาคํำสอนให้มันตรงๆให้มันดีๆไม่อย่างนั้นเราก็เดือดร้อนในเรื่องบุญอย่างคนที่ขวนขวายในการเผยแพร่ก็พยายามเข้าใจก็เห็นละว่าเออเป็นผู้มีกรุณาต่อผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้ว่าการุณาถ้าขาดปัญญานี่ก็ ลำบากเหมือนกันเนี่ยนะหนักๆเข้าก็ล้มลุกคลุกคลานก็เลยพอๆกันหมดคลุกคลียกันไปหมดเลยคะนะยุ่งต่อไปอกีกข้ออุปมาของว่าอุปมาข้อนี้เด็ดขาดมากอกาอยู่ไม่ได้บวชอย่างเดียวในหน้า175ย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าเรานั้นเนี่ยครั้นคิดดังกล่าวมานี้คือท่านสุเมศบัณดิตะนะคือพระพุทธเจ้าเล่าในฐานะตอนนั้นะ่ะพระองค์เป็น โซเมตบัณฑิตเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะเป็นลูกของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ว่างันแต่แทบจะรวยที่สุดในเมืองอยู่แล้วเนี่ยมานั่งคิดเองว่าคิดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าบุรุษผู้ชอบแต่งตัวสวยๆทิ้งซากศพที่คล้องคอเสียก็พึงเป็นสุขแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นอ่ะนะเราต้องทิ้งกายอันเน่านี้เสียไม่อะไรเพึงเข้าไปยังมหานครคือ น, นิพพานฉันนั้นอันนี้ข้อแรกก่อนว่าว่า ทิ้งกายเหมือนทิ้งศพแนขนงคอข้อแรกข้อสองอันหนึ่งบุรุษสตรีถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงที่พื้นดินอันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะแล้วก็หาเอาใส่ชายพกหรือเอาชายผ้าห่องอุจจาระปัสสาวะนั้นพาไปไหมที่แท้ก็พากันเกลียดไม่อยากแม้แต่จะดูไม่อะไรทิ้งไปเลยฉันใดแม้เราก็ไม่อะไรกายเน่านี้ควรที่จะละทิ้งเข้าไปยัง อมตานครคือนิพานฉั น, นั้นนะตอนที่ตอนหาอาหารหาร้านเนี่ยโอ้ยเลือกอาหารหน่าดูเลยใช่ไหมตอนหนึ่งพักหนึ่งไม่แม้แต่เหลียวไปมองก็ยังไม่อยากเลยงันเพราะจะต้องทิ้งกายนี้ฉั น, นั้นอันหนึ่งธรรมดานายเรือทั้งหลายก็ละทิ้งเรื อ, ท, อที่น้ำเอ่อที่นําน้ําอันคล่าคล่าหมายคือว่าเรือที่สมมติว่าเรือเรือที่วิ่งอยู่ในน้ําคลําเนี่ยนะแล้วมันรั่วเยอะมากแล้วน้ําคล่ำก็ไหลเข้ามาเนี่ย แล้วมันมีเรือลำใหม่ด้วยทําไงดีโอ้ยใหญ่งงก็ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมต้องทิ้งเรือลําเก่าที่เก่าคร่ำคร่ากลับไปเอาเรือใหม่โดยไม่อาไยอาวรณ์ฉันใดแม้เรานี้ก็จะละทิ้งกายที่ของโสโครกไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าแผลนี้ไม่เยื่อใหญ่จักเข้าไปยังมหานครคืนนิพพานฉันนั้น พูดถึงแบอบกอุย้ยมันเกินไปมั้งฟังอย่างเงี้ยนะตอนที่เป็นโรคซานิพากันปิดปากปิดจมูกไม่อยากหายใจก็เลยนะหลายคนเนี่งดการเดินทางไปหมดกลัวมันจะอะไรนะไม่รู้ว่าเชื้อโรคคนไหนเดินมาได้มั้งก็ไม่ทราบนะไม่รู้ว่าเดินเชียวเชื้อโรคขนาดไหนก็ไม่ทราบพากันกลัวหรือเกินเนี่ยนะนั้นคำพูดเหล่านี้ไม่ได้เกินจริงเราเพราะโรคาโตก็คืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละคือชื่อว่าโรคเพราะเป็นที่ตั้งแห่งโรคทั้งหลายฉันนั้นมันจะต้องจําต้องละทิ้งเมื่อวานนี้กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วว่า รังเกียจกายเหลือเกินท่านไปฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมแล้วท่านไปทําอะไรเนี่ยนะวั น, นทางออกไม่ใช่คิดว่าตายแล้วจบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนากล่าวถึงพิษภัยทุกโทษทุกทั้งหลายก็จริงแต่ไม่เคยสอนให้ไปฆ่าตัวตายอะไรเลยและขณะเดียวกันก็เป็นคําสอนที่ห้ามสันเสริญการฆ่าตัวตายห้ามสันเสริญนะถ้าพระพิสูจน์นี่ไปสันเสริญเรื่องการฆ่าตัวตายแล้วเขาฆ่าประราชิกด้วย น, นะมีส่วนเท่ากับไปฆ่าด้วยมือของตนเนี่ยนะเพราะ สรรเสริญชักชวนแห่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตายๆเนี่ยไม่ได้เลยนี่ต่อไปอีกว่าอันหนึง่งบุรุษบางคนพกพาอารัตนะมากอย่างเช่นแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไยทูลเป็นต้นเดินทางไปกับหมู่โจรจำจำต้องละทิ้งโจรเหล่านั้นเพราะกลัวสูญเสียรัตนะเลือกถือเอาแต่ทางที่กเกษมปลอดภัยฉันใด กายอันเน่าแม้นี้ก็เสมือนโจรปล้นรัตนะปล้นอะไรกายเนี่ยปล้นศรัทธาปล้นศีลปล้นอะไรอย่างอื่นไปเยอะแยะแหละถ้าเราจักทาความอยากในกายนี้รัตนะคืออริยมรรคอริยมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือกุศลกรรมบทกุศลธรรมเช่นกุศลกรรมบท10กายสุตจริตวจีสุจริตมโนสูตรจริตหรือ สติประฐานสัมมาประธานเป็นต้นของเราก็จากศูนย์เสียไปเพราะฉะนั้นจึงควรที่เราจำต้องละทิ้งกรัชกายที่เสมือนมหาโจรนี้แล้วเข้าไปยังมหาคนครคือนิพพานฉันนั้นแหมกายนี่มันเหมือนสมหาโจรจริงๆเลยนะไม่เชื่อก็ลองเก็บสติติข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายตัวเองไว้ให้มันเต็มที่ร้อยเปอร์เซเลยเนี่ยนะจะรู้ว่าโอ้โหอยู่กับศัตรูชัดๆเลยอะ มันเลือกแบตีหัวมันก็ตีเฉยๆมันงงมันเลือกปวดตรงไหนมันก็ได้หมดเลยนะมันแล้วแต่มันจะเล่นงานเลยนะใครที่ประสบประการณ์ที่เกิดมาแล้วบุญเก่าไม่มากเนี่ยนะจะรู้ดีว่ามันทุกแท้เนี่ยตั้งแตดูแลกายเนี่ยตั้งนเหน็ดเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวไปหมดเลยนะลําบากแท้แล้วก็คนที่เขามีกายเนี่ยดูว่ามีใครมีความสุขบ้างไหมน้อยนักที่จะมีความสุขเลยนะคนมีความทุกข์เนี่ยมากจริงๆเพราะนั้น เวาขับรถนั่งรถไปที่ไหนจะเห็นเครื่องไม้กากบาด ท, ทั่วไปหมดเลยเครื่องไม้บวกแปลว่ารับซ่อมบำรุงตายนี้ <c oughs> แต่ ว, ว่ามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกเขต ท, ทุกอำเภอเลยแหละเครื่องไม้บวกอันนี้รับซ่อมกายเนี่ยนะอู่รับซ่อมกายดูแลเพราะมันมีปัญหาเลือกเกินเนี่ยนะแล้วแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะสมมติว่าใครมีฟันเนี่ยก็หมดสตังแลวถูกปล้น ถูกปล้นเงินทองออกจากฟันก็นเยอะมีหัวก็ถูกปล้นเงินทองออกจากศีรษะไปเยอะนะทุกส่วนนี่มันพาให้เสียตังค์หมดเลยนะเขาบอกว่าเอา้าวทำงานทําทํางานเก็บทุกวันนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้จริงจริงก็เพื่อเอาไว้ให้มันแก้ปัญหาถูกปล้นนั่นแหละเอาไว้ดูแลสุขภาพนะแต่แม่ก็ใช้คําเพราะมากดูแลสุขภาพยามป่วยเท่า ยามป่วยยามเท่าไปก็จะได้นี่แหละมันจะได้ช่วยหรือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีกายนี่มันต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะตั้งสแสวงหาไว้ทำไมไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าไม่มีกายเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นแทบไม่มีค่าสมมติถ้าเราอิ่มแล้วนะอาหารจะกองเต็มโตะมีประโยชน์ตรงไหนไม่มีหรอกถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะยาเต็มตู้นี่ช่วยอะไรเราได้ ันหลายๆอย่างเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าแม้บำรุงกายเหล่านี้เปรียบเสมือนโจรปล้นจริ ง, รงๆเนี่ยนะ <c oughs> เพื่อดูแลกายนี้เพื่อบำรุงกายนี้แหละหลายคนยอมทําบาปทํากรรมเนี่ยนะทำบาปอากุศลกรรมบทล่วงเกินมามากก็เพราะเพื่อจะดูแลกายนี้แล้วกายนี้เขาซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเลยใช่ไหมโอ้ยยิ่งเอาใจเขามากเขายิ่งเจริญเจริญแบบเป็นอย่างนั้นไหมให้อาหารมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนีเจริญใช่ไหมใช่ไขมันเจริญเติบโต แล้วก็เดือดร้อนต่อไปมันกายนี่มันเป็นเหมือนมหาโจรจริงๆเลยเนะแต่ถ้าผู้ใดยังชื่นชมกายผู้นั้นก็ชื่นชมอะไรรู้ไหมชื่นชมทุก น, นะเพราะกายคือตัวทุกขถ้าชื่นชมกายก็ชื่นชมทุกผู้ใดชื่นชมทุกคิดว่าจะพ้นไปจากทุกไหมไม่รอกเนี่ยนะมีแต่จะทุกยิ่งยิ่งขึ้นไปในคาถาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า บูรุษเกลียดซากศพที่ผูคออยู่ควรปลดออกไปเสียถ้าปลดซากศพที่แขวนคอแล้วก็มีแต่ความสุขมีเสรีเป็นอิสระฉันใดเรานี้ทิ้งกายอันเน่านี้ที่สะสมซากศพต่างๆเข้าไปเสียโดยที่ไม่อะไราในร่างกายไม่ต้องการร่างกายฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษสตรีทิ้งอุจจาระเอาไว้ในที่ถ่ายอุจจาระไปเสียไม่อะไราไม่ต้องการฉันใดเราทอดทิ้งกายนี้ที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆเสมือนทิ้งทิ้งซ่วมนะนะซ่วมแบบอะไรนะไม่ใช่แบบห้องน้ำแบบตรงยนนะก็คือซ่วมซ่วมแขกันนะฉันนั้นเหมือนกันเจ้าของเรือทิ้งเรือลำเก่าชำรุด น้ำรั่วออกไปโดยที่ไม่เยื่อใยในเรือลํานั้นไม่ต้องการเรือลํานั้นฉันใดเราก็ท่อทิ้งกายนี้ที่มี9้าช่องที่ไหลออกของสิ่งโสโครกอยู่เป็นนิดคือนะขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมูกบางคราวก็สํำรอกออกจากปากเงือและเสเลดย่อมซึมออกจากกายนี้เป็นต้นนะนะเราจะต้องละทิ้งแล้วนะฉะนั้นเหมือนกัน บุรุษพกพาของมีค่าไปกับพวกโจรแลเห็นภัยจากการเสียหายของของมีค่าจึงละทิ้งโจรไปฉันใดากายนี้ก็เปรียบเสมือนด้วยมหาโจรเพราะกลัวการเสียหายแห่งกุศลจำเราต้องละกายนี้ไปฉันนั้นเหมือนกันเน่นะเพราะกายนี้เพราะบำรุงกายนี้เน่ยโอดูแลทุกอย่างมาก ในหน้า178กลางๆลางล่างบอกว่ากายเนี่ยมหาโจรสมวิยะความว่ากายชื่อว่ามหาโจรมหาโจรสมะแปลว่าเสมอด้วยโจรเพราะโจรมีปานาธิบาตอธินาทานการเมสุมิฉาจารย์เป็นต้นเนี่ยมันคอยปล้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายนี่แหละถ้าไม่มีกายจะทําปานาธิบาตไหม ไม่ทำถ้าไม่มีกายจะทำอธินนาทานไหมถ้าไม่มีกายจะทำการเมสุมิสจาจานไหมถ้าไม่มีกายจะมูสาวาดดื่มสุราเป็นต้นเหล่านี้ไหมพันบาปอากุศลธรรมทุกอย่างมีกายเหล่านี้เป็นปัจจัยเพราะเพราะอะไรเพราะกายเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดความยินดีในปียรูปสาตรูปทั้งหลายเป็นเหตุให้ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสยินดีในตายินดีในสียินดีในหูในเสียงเป็นต้นนั่นแหละไอ้ความยินดีเหล่านี้ในกายเหล่านี้เป็นเหตุให้ทาปาณาติบาตอตินาทานกาเมสุมิชฉาจานเป็นต้นกุศลธรรมทั้งหลายก็ถูกปล้นเอาไปหมด อธิบายว่าบุรุษผู้ถือทรัพย์สินที่เป็นรัตนะไปกับหมู่โจรก็จําต้องละทิ้งโจรเหล่านั้นไปเสียฉันใดแม้เราก็จําต้องละกายอันเส ม, มอด้วยมหาโจร น, นี้ไปเพื่อสแสวงหาทางสแสวงหามักที่ทําความสวัสดีให้แก่ตนฉันนั้นเหมือนกันท่านสุมเมธพอคิดได้ขนาดนี้นะสมมติถ้าใครคิดอย่างนี้คิดได้เองแล้วคิดและเชื่ออย่างนี้สนิทใจเลยเนะี่ยจะทำยังไงต่อไป นั่งอยู่นิ่งๆสบายรับลมรำเพยเลยใช่ไหมไม่สุเมศบัณฑิตก็เลยครุ่นคิดถึงเหตุแห่งเนคข ม, มะเลยเนคข ม, มะบารมีก็เข้ามาละการออกบวชคือเนคข ม, มะเนี่ยโดยศับจริงๆเนี่ยหมายถึงพระนิพพานตัวเนคข ม, มะเลยนะเนคข ม, มะเนี่ยหมายถึงพระนิพพานแล้วทางที่จะทําให้บรรลุนิพพานคืออะไรคือสมถาวิปัสสนาคนที่จเจริญสมถาวิปัสสนาโดยมากอยู่ในเพศไหนโดยมาก บอกอยู่ในเพศนักบวชก็เลยบอกว่าการบวชเรียกว่าเนคขัมมะสมถาวิปัสสนาก็เรียกว่าเนคขัมมะแต่ตัวเนคขัมมะจริ ง, รงๆนั้นคือพระนิพพานเนี่ยนะปันเราก็ต้องครุ่นคิดหาเนคขัมมะและธรรมะเป็นที่ออกจากทุกขครั้นได้อุปมาอุปมา น, านานาประการแนะนําพูดเรียกว่าอะไรนะทบทวนชีวิตของตัวเองโดยรอบครอบเสร็จแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าคิดถึงปู่แล้วกันเนี่บรรท บ, บุรุษ ปูบิดาและปูเป็นต้นะนะบิดาด้วยปูด้วยปูของปูของปูของปูเป็นต้นต่อไปด้วยเนี่ยนะรวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้เอาไว้มันก็จริงนะนะเพราะฉะาคนที่เขาฉลาดนี่เขาทำยังไงคนสมมติว่าคนสุดยอดของคนที่เป็นนักปราดบัณฑิตในโลกเนี่ยนะสามารถที่จะสามารถบริหารธุรกิจกิจการของตัวเองให้เจริญรุง่งเรืองแล้วลูกอยู่อย่างสบาย อันนี้บอกคนที่คิดถึงลูกนี่ก็ถือว่าเก่งครับบอกแต่ผู้บริหารระดับหนึ่งก็จะคิดร้ า, านจะอยู่ต่อไปยังไงเออร้านมันอยู่แล้วเลนมันจะอยู่ต่อไปยังไงมันคิดเน ว, วางแผนผังเอาไว้หลายชั่วโคตรนักแรเนี่ยนะเพื่อลูกของลูกของลูกของลูกของลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอ้วางแผนไว้ซ้อนมากบางคนเนี่เป็นอย่างนั้นเพราะอ่าทายาตรุ่นท้ายๆมันก็เลยรับกองมรดกไว้เต็มไปหมดทีนี้พอหลายชั่วคนเข้ามาก็มี2 อ, อย่างคือพลานสักเลี้ยงเลยกับ กั บ, บเจริญกุศลแต่แบบเจริญกุศลแบบประเภทสุมเมรเนี่น้อยนักแลโดยมากก็เอาไปผลาญอย่างอื่นใช้เรียบหมดเลยเข้า บ, บ่อนพนันพักเดียวเนี่ยหมดตัวหรือถูกโกงไปถูกอะไรไปเนี่ยนยก็เลยมาคิดว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะรวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้แล้วเมื่อไปประโลกตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็พาเอาไปแม้แต่กหาปณ ะ, ะเดียวไม่ได้บาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครเอาไปเลยส่วนเราควรจะ เอาไปเพื่อเป็นเหตุะนะครับว่าเราต้องเอาไปใช้ในปราโลกได้คิดอย่างนี้ก็กราบทูลพระราชาไอ้คำว่ากราบใช้ในปราโลกเนี่ยนะในพระสูตรหลายสูตรกล่าวว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้เจ้าของเรือนเนี่ยขนเข้าขนของออกไปเท่าใดข้าวของนั้นน่ะจะเป็นของติดตามตัวเข้าไปที่เขาจะได้ใช้ต่อไปส่วนของเหล่าใดที่เขาขนเอาไปไม่ได้ก็จะไม่พร้อมกับเรือนน่นแหละ ใช่ไหมเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับคนอินเดียคนแขกคนหนึ่งมากุตสาขายผ้าตั้งบริษัทอยู่แถวเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะกรุงเทพไฟไหม้ครอกแม่บ้านท้องแปดเตือนโอ้ยสงสารพยายามมากก็เลยเช่าไปช่วยก็เลยถูกเผาตายเกลี้ยงหมดเลยเนี่ยนะตายพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินหมดเลยนะทุ่มเทมาหมดทุกอย่างจบในกองเพลิงกองเดียวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่ า, วาถ้าถ้าหากว่าเขาขนเอาตัวเองออกตัวตัวก็รอด ถ้าคนเอาบุตรภรยาออกภรยาบุตรภรยาก็รอดถ้าคนเอาทรัพย์มาได้ก็มีทรัพย์ต่อไปแต่นี่ว่าหมดเลย อันะชาติหน้าก็รู้ว่าชาตินี้ได้บุญไปเท่าไหร่ก็ไม่ทราบตายไปแล้วทั้งครอบครัวว่างั้นนี้ก็เหมือนกันเราทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันว่าเออเนี่ยชรามรณะก็เผากันเราอยู่ทุกนาทีเนี่ยนะเราก็ถูกไฟคือชราคะเออขออภัยไฟคือชราเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลาบอกดูจากอะไรก็นาฬิกามันไม่หยุดนิ่งก็แปลว่าเราแก่ทุกทีทุกทีทุกทีทุก ท, ท, ก ท, ท, กทีเนี่ยนะวันนี้เขาเรียกพี่อยู่ดีดพรุ่งนี้เขาเรียกป้าแล้วนะมันค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อ, ยอย่างเงี้ยนะนะ กลับไปแถวบ้านเมื่อไรก็ตกใจทุกทีเลยนะเนาะไปเห็นพวกเด็กเล็กๆเนี่ยเรโอ้ยเมืแ่อบบก่อนเราก็เป็นเด็กวิ่งอยู่แถวนั้นไงนี่เราเล็กๆจะเป็นเล็กๆอยู่เลตอนนี้เราเฮ้ยทาไม้พวกนั้นมันเด็กจังเลยไมนะ่รู้เลยพอมาเรียกเราไอ้คำแทบสะดุ้งเลยบอกโอ้โหเนี่ยเราจะโบกมืออําลาโลกแล้วนะเนี่ยคนอะไรไปบ้างนาะเนี่ยนะก็าลาจริงๆนะเพราะมันไม่มีกรรมอะไรเลยแบ่ไปหมดเลยไม่เอาละเฟันซูเมตบันเดีกก็เลยคิดว่าส่วนเรานี่ควรจะทําเอาไปเพื่อ เป็นเหตุแห่งปรโลกทําอะไรบ้างก็คือด้วยการให้ทานอ่ามันก็มีหลายวิธีนะที่จะเอาไปได้ก็คือการให้ทานเป็นต้นก็เลยไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระบาทมีหัวใจเนี่ยถูกชาติชาราเป็นต้นรบกวนแม่คําที่เขาใช้เนี่ยหนักมากนะใจเนี่ยถูกช า, า, ชาติชารามรณะรบกวนเหลือเกินถูกความทุกข์ในวัตฏะนี่มันย่ยํายีหัวใจเหลือเกินเนี่ยนะจำจักต้องออกจากเรือนบวชโดยไม่มีเรือน ข้าพระบาทมีทรัพย์อยู่หลายแสนโกรขอพระองค์ผู้สมมุติเทพโปรดทรงดําเนินการกับทรัพย์นั้นเถิดยกถวายพระราชาเลยพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ของท่านดอกท่านนั่นเองจงทาตามที่ปรารถนาเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะหาว่าพระราชาริบเอาทรัพย์แล้วก็ปลดให้ไปบวชบอก ง, งั้นเราไม่เอาท่านอยากทําอะไรก็ตามใจ สุเมศบัรดิตก็ทูลรับว่าสาธุพระเจ้าค่าแล้วก็ให้ตีกลองเป่าร้องในพระนครให้ทานแก่มหาชนนะบางบางแห่ให้ทานแก่มหาชนละวัตถุกรรมวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินและก็ละกิเลสกรรมคือความเพลิดเพลินในวัตถุเหล่านั้นออกจากอมรานครซึ่งเสมือนเทพนครอันประเสริฐไปแต่ลําพังผู้เดียวเก่งกันนะสละทิ้งหลายแสนโกดเนี่ยหลายแสนโกดก็มีเงิน หลายล้านล้านนะถ้าพูดภาษาเราก็มีหลายล้านล้านอ่ะก็คือโกดก็สิบล้านใช่หหลายแสนโกดก็หลายหลายอ่ะนะหลายล้านล้านเลยแหละมากกว่าแสดงว่ามากอะไรนะมากกว่าภาษีประเทศเราอ่ะรวมหลายปีภาษีทั้งชาติมันก็มีแสนล้านกว่าล้านใช่ล้านกว่าล้านอ่ะนี่หลายล้านล้านอ่ะภาษีชาติหลายปอยู่เหมือนกันนํารวยขนาดนั้น แต่ก็บอกว่าถ้า ต, ต่างประเทศนี่บางบางบริษัทนีก็มีเงินมากกว่าอะไรนะมากกว่ามากกว่างบประมาณของประเทศเราอยู่แล้วบางบริษัทนะแค่บางบริษัทถ้าหลายๆบริษัทในโลกมานี่ก็โหขายประเทศเราก็ไม่รู้จะเท่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะบางบริษัทนี้ร่ำรวยจริงๆเลยแหละอย่างอะไรนะบริษัทเครื่องเสียงกลุ่มโซนี่นี่ก็มีงบประมาณมากกว่าแทบจะมากกว่าประเทศเราอยู่แล้วล่ะบางบริษัทนี่นะ ว่าคนที่เขามีทรัพย์จริงๆเนี่ยเขถือว่ามีมีจริงๆเลยแหละเขามีไม่ใช่มีธรรมดาเลยแหละแต่เขาก็สละได้นะก็เอางี้ดีกว่าของเหล่านี้ถ้ายังไงมันก็สละจำใจสละหรือว่าจำต้องสละเองนะคิดให้ของอะไรมันมีอยู่สองอย่างของถ้าไม่จากเราเราก็จากของอย่างที่หนึ่งาบอกว่าถ้าเราไม่ยอมจากเลยนะแล้วเศรษฐกิจมันจะดีตลอดไปใช่ไหมเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเขาเรียกว่าท่านท่านผู้มีอีกพักหนึ่งบอกไม่มีอะไรละ ศูนแล้วเนี่ยนะพันของพวกนี้มันก็แล้วแต่บุญเหมือนกันเนี่ยหนึ่งไม่จากเป็นมันก็จากตายนะถ้าเราไม่จากของเหล่านั้นไม่จากเป็นก็จากตายแต่ที่แน่ๆจากแน่นอนเพราะสังขารทั้งหลายมีการพลัดพรากเป็นที่สุดว่าจะจากประเภทไหนแต่พระโพธิสัตว์เลือกขอจากก่อนเรียกว่าจากแบบคนมีปัญญาเรียกว่าทําใจจากก่อนดีกว่าจะคอยมาถึงวันนั้นและจากทั้งน้ําตาเป็นต้นเนี่ยนะจากแบบ ตกนรกด้วยไม่เอาแล้วเนี่ยนะจากแบบแบบแบบจากแบบได้บุญด้วยแล้วก็เรียกว่าติดตามเอาไว้ใช้ชาติต่อๆไปได้ด้วยคนฉลาดมากเห็นเรือจะจมนี่ก็เรียกว่าทำประกันทําอะไรไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเหมนกันก็เลยไปที่ไหนไปอยู่อาศัยในธรร ม, มิกะบรรฑ์พจนี่นะบัณ์พจนั้นเป็นอย่างไรก็คงเป็นตอนบ่ายกันละกันตอนเช้าก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน